ภาษารีบตรนิเทศวา่าชนผู้ประกอบคือประกอบทั่วประกอบเอื้อเฟื้อประกอบด้วยดีประกอบพร้อมในถ้อยคําของตนเพื่อกล่าวในท่ามกลางขติยกษัตริย์พราหมณบริษัทเคหรหบดีบริษัทสมณบริษัทคําว่าเมื่ออยากได้ความสรรเสริญคืออยากได้ยินดีปรารถนาชอบใจคําว่าสรรเสริญก็คือความชมเชยความมีเกียรติความยกย่องด้วยคุณ เสร็จแล้วก็ลังเลว่ า, านะก่อนแต่โต้ตอบย่อมเป็นผู้สงสัยลังเลใจคือก่อนแต่โต้ตอบย่อมเป็นผู้สงสัยลังเลใจอย่างนี้ว่าเราจะมีชัยหรือปราชัยหนอโนะต้สงครามวาทะครั้งนี้เราจะแพ้หรือจะชนะเราจะข่มเขาอย่างไรจะ ท, ทําลัทธิของเราให้เชิดชูอย่างไรจะ ท, ทําลัทธิของเราให้วิเศษอย่างไร จะทำลัทธิของเราให้วิเศษเฉพาะอย่างไรจะทำความผูกมัดเขาอย่างไรจะทำปลดเปลื้องอย่างไรจะทำการตัดรอนวาทะของเขาอย่างไรจะขนาบวาทะของเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นก็เมื่ออยากได้ความสรรเสริญก็ลังเลใจนะก็คนคิดหาสูตรหาวิธีการคนคิดหาถ้อยคำจะมาเล่นงานเขายกตัวเองให้ได้ คำว่าเป็นผู้เก้อเขินในเมื่อถ้อยคําของตนเนี่ยถูกเข้าค้านตกไปมันนะคือสงครามวาท่เนี่ยนะก็แพ้ก็คือชนผู้พิจารณาปัญหาผู้เป็นสมาชิกของที่ประชุมผู้มีความกรุณาย่อมคัดค้านให้ตกไปก็คือเขาจะมีกรรมการตัดสินตัดสินเนี่ยสมัยนั้นกรรมการกรรมการนั้นก็ตัดสินให้แพ้เนี่ยนะก็คัดค้านโดยอัฐะว่าคําที่ท่านกล่าวเนี่ยปราศจากอาัถะ คัดค้านโดยพยัญชนะว่าคัมที่ท่านกล่าวนี่ปราศ จ, จากพยัญชนะย่อมคัดค้านโดยอัถฐและพยัญชนะว่าคัมที่ท่านกล่าวปราศ จ, จากทั้งอัถะและพยัญชนะย่อมคัดค้านว่าเนื้อความท่านชักมาไม่ดีพยัญชนะท่านยากมาไม่ดีอัถฐและพยัญชนะท่านชักมาไม่ดียกขึ้นไม่ดีะนะกรรมการเขาตัดสินใจนะเขาให้คะแนนเออเนี่ยแกแพ้เพราะอย่างงี้อย่างงี้นะเหมงอนกัน ความข่มผู้อื่นท่านไม่กระทําความเชิดชูลัทธิของท่านทําไม่ดีว่าท้อันวิเศษท่านไม่กระทําวาท้อันพิเศษเฉพาะท่านทําไม่ดีความผูกมัดผู้อื่นท่านเอ่อความผูกมัดผู้อื่นท่านไม่กระทําความปลดเลื่องท่านทําไม่ดีความตัดรอนวาท้ผู้อื่นท่านไม่กระทําความขนาบวาท้ผู้อื่นท่านทําไม่ดีท่านผู้ชั่วกล่าวชั่วเจรจาชั่วเปล่งวาจาชั่วภาสิท์ชั่ว สมัยก่อนเนี่ยสงครามวาระมันเหมือนกับ น, นักมวยไทยสมัยเนี่ยนะไทยเนี่ยโอ้ยสนามมวยมีเยอะแยะไปหมดเาก็มีกรรมการให้คะแนนเป็นต้นเนี่ยนะสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันไอ้พวกลทัทธิทั้งหลายเนี่ยก็ถกกันปัญหาลัทธิอ่ะคำว่าย่อมเป็นผู้เก้อเขินในเมื่อถ้อยคำของตนเนี่ยถูกคัดค้านให้ตกไป คำว่าเมื่อถ้อยคําของตนนี่ถูกเขาคัดค้านตกไปก็ย่อมเป็นผู้เก้อเขินเก้อเขินก็คืออับอายกระวนกระวายลําบากกายทุกใจเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้เก้อเขิขนในเมื่อถ้อยคําของตนนี่ถูกเขาคัดค้านตกไปนะเหมือนกับว่าเอาไหมอุสาฟาลดล่วนลายมาสเสียอะถูกเขาขัดคอซะเนี่ยนะถูกเขาคัดค้านจะร่วงเลยไม่เป็นท่างคาว่าความขัดเคืองเพราะความติเตียนก็ย่อมเป็นผู้สแสวงหาช่องทางแก้ตัว ก็คือถูกคนอื่นเขาติเตียนใช่ไหมก็คือเพราะความนินทาคอรหาไม่ชมเชยไม่สรรเสริญคุณก็ย่อมขัดเคืองก็คือขัดเคืองขัดใจหม้แก้แค้นย่อมทําความโกรธความขัดเคืองความไม่ยินดีให้ปรากฏเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าย่อมขัดเคืองเพราะความติเตียนก็ย่อมสแสวงหาช่องทางแก้ตัวได้แก่เป็นผู้สแสวงหาช่องทางแก้ตัวสแสวงหาความผิดความพลัง้งความพลาดความเพล่และช่องทางเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าขัดเคืองแล้วก็ ขัดเคืองเพราะความติเตียนย่อมเป็นผู้สแสวงหาช่องทางแก้ตัวนะเขาชนะเราเนี่ยเราต้องเอาชนะเขาให้ได้จะชนะโดยประการใดแก้ตัวยังไงแก้มือยังไงนะแสดงว่าเราอ่อนซ้อมไปหน่อยเป็นตัวนั้นนะก็เอามาละชนผู้ประกอบถ้อยคําในถ้มกลางบริษัทเมื่อเขาอยากได้ความสันเญย่อมเป็นผู้ลังเลใจ ย่อมเป็นผู้เก้อเขินในเมื่อถ้อยคาของตนเนี่ยถูกเขาคัดค้านตกไปย่อมขัดเคืองเพราะความติเตียนย่อมเป็นผู้สแสวงหาช่องทางแก้ตัวนะชนผู้พิจารณาปัญหากล่าวว่าท่ะของชนนั้นว่าเลวคัดค้านให้ตกไปชนนั้นมีวาท่าเสื่อมไปแลว้วย่อมรำพันเศร้าโศกท้อถอนใจอยู่ว่าเราลุก เ, เขาล่วงเลยเรา สมมติว่ากรรมการเขาตัดสินใจว่าแพ้โดยเด็ดขาดแพ้โดยประการทั้งปวงเนี่ยนะก็โศกเสียใจทอนใจเหือกใหญ่เล ย, ยเขาชนะเราแล้วนะเราสู้เขาไม่ได้แลว้วเดี๋ยวนะเหมือนเหมือนกีฬาเลยนะเขาแข่งกันเรื่องลทัทธิอ่ะนะ คำว่ากล่าววาทของชนนั้นเลวมีความว่าชนผู้พิจารณาปัญหาย่อมกล่าวบอกพูดแสดงเพลงซึ่งวาทของชนนั้นว่าเลวเลวซามเสื่อมเสียเสียหายไม่บริบูรณ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากล่าววาทของชนนั้นว่าเลวนะก็เหมือนอาจารย์ให้คะแนนทำไมจึงให้สอบตกนะก็เนี่ยบอกมันผิดตรงนั้นตรงนี้ก็หาช่องทางมาเชี่ยเออนี่แหละเหตุผลที่ให้ตกไปเนี่ย น, นะ คำว่าชนผู้พิจารณาปัญหาคัดค้านให้ตกไปมีความว่าชนผู้พิจารณาปัญหาผู้เป็นสมาชิกของที่ประชุมผู้มีความกรุณาย่อมคัดค้านให้ตกไปยุคือย่อมคัดค้านโดยอัตว่าคําที่ท่านกล่าวปราศจากอัตนะโตวาทีนะโตวาทีก็เขามีกรรมการตัดสินเอนกันบอกว่าอ้าวคาที่ท่านพูดนี้ปราศจากอัตนะก็คัดค้านโดยพยัญชนะว่าคําที่ท่านกล่าวนี้ปราศจากพยัญชนะ ย่อมคัดค้านทั้งโดยอัถฐและพยัญชนะว่าคำที่ท่านกล่าวปราศจากทั้งอัถฐและพยัญชนะย่อมคัดค้านว่าเนื้อความท่านชักมาไม่ดีพยัญชนะเนี่ยท่านยกขึ้นไม่ดีอัถฐและพยัญชนะท่านชักมาไม่ดียกขึ้นไม่ดีความข่มผู้อื่นท่านไม่กระทําความเชิดชูรัธิท่านทําไม่ดีว่าท่าอันวิเศษท่านไม่กระทําว่าท่าอันวิเศษเฉพาะท่านทําไม่ดี ความผูกมัดผู้อื่นท่านไม่กระทำความปลดเปลื้องท่านทาไม่ดีความตัดรอนวาทาผู้อื่นท่านไม่กระทำความขนาบวาทาผู้อื่นท่านทำไม่ดีท่านผู้ชั่วกล่าวชั่วเจรจาชั่วเปล่งวาจาชั่วภาสิทธิ์ชั่วมันก็นี่เหตุผลที่ให้ให้ให้แพ้นะเ ก, กล่าวว่าชนผู้พิจารณาปัญหาคัดค้านให้ตกไปนะว่าว่าโตวาทครั้งนี้ท่านแพ้อย่างนี้นะ ชนนั้นมีวาทาเสื่อมไปแล้วก็ย่อมรำพันเศร้าโศกนะคือคนแพ้ก็รำพันว่าเป็นผู้มีการพูดเพ้อบ่นเพ้อปร่ำเพ้ออาการพร่ำเพ้อความเป็นแห่งอาการพร่ำเพ้อเห็นป่านนี้ว่าเหตุการณ์อื่นเรานึกคิดพิจารณาใคร่ครวญแล้วนีนะคือที่ที่ตัวเองแพ้นะก็มารำพันใช่ไหเขานี่มีพวกมากานะเหตุผลนะ่ะเขาเนี่ยมีพวกมากเขามีบริษัทมากเขามีบริวารมาก ก็บริษัทนี้เป็นพวกแต่ว่าไม่พร้อมเพียงกันมาว่าฝ่ายตัวเองนะมาด้วยกันมันไม่ช่วยกันเลยเหมือนกันการเปรเจรจาปราศัยจงมีเพื่อความพร้อมเพียงกันเราจะทําลายเขาอีกเนี่ยนะถ้าเราได้พักพวกที่สมัครสมาชสามกีนะเอาคืนเขาอีกเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าย่อมรำพันเหมือนกับพวกนักฟุตบอลเล่นกันเป็นทีมเหมืนะไม่ไอทีมเราทำไมมันแพ้นะก็มานั่งถกกันใหญ่เลยก็ย่อมเศร้าโศกความว่าย่อมเศร้าโศกลําบากใจ รำพันทูบ อ, อกคร่ำครวญถึงความหลงไหลว่าเขามีชัยเราปราชัยเขาเนี่ยมีลาบเรานี่เสื่อมลาบเขาได้ถ้วยใช่ไหมเราไม่ได้ถ้วยอย่างเ้นะเขาได้เรียนเราไม่ได้เรียนอย่างเ้นะเขามียศเราเสื่อมยศเขาได้ความสรรเสริญเราได้นินทาเขามีสุขเรามีทุกข์เขาได้รับสการะเคารพนับถือบูชายำเกรงได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารเขาได้รางวัล น, น่นะ ส่วนเรานี่ไม่ได้รางวัลเลยหรือเรานี่ไม่ได้รับสการะเคารพนับถือบูชายาเกรงไม่ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและขีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารฉผนจึงเชื่อว่ารำพันและวก็เศร้าโศกเสียใจเนี่ยนะไอ้ฝ่ายอื่นชนะเขาได้ลาบสการะสรรเสริญส่วนเราเนี่ยไม่ได้อะไรเลยคําว่ามีวาทะเสื่อมไปแล้วได้แก่มีวาทะเสื่อมไปแล้ ว, ม, ว, ม, ลวมีวาทะเลวสามมีวาทะเสื่อมรอบมีวาทะอันเขาให้เสื่อมรอบ มีวาทะไม่บริบูรณ์แล้วเนะก็คือเราเนี่ยแพ้เขาอ่ะนะละทัทธิคำคำโต้ ว, วาทะของเราเนี่ยแพ้เขาสู้เขาไม่ได้คําว่าทอดถอนใจอยู่ว่าเขาล่วงเลยเรามีความว่าทอดถอนใจอยู่ว่าเขาล่วงล้าเกินเลยล่วงเลยซึ่งวาทะของเราด้วยวาทะาเขาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเขาเนี่ยล่วงเลยเราแม้ด้วยประการอย่างนี้อีกอย่างหนึ่ง ทอถอนใจอยู่ว่าเขากดขีครอบงำย่ำยีวาทะเราด้วยวาทะเขาแล้วอ่ะย่อมประพฤติอยู่เปลี่ยนอิริยาบถมุนไปรักษาเป็นไปยังอัตภาพให้เป็นไปเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าเขาล่วงเลยเราแม้ด้วยประการอย่างนี้นะก็เขาชนะเราแล้วนะถ้าเป็นแบบพวกนักฟุตบอลนักกีฬาอะไรเนี่ยอีกฝ่ายชนะก็แม้ไปออกรายการต่างๆนะ เหมือนกับอกีฬาโอลิมปิกเนี่ยไปได้เหรียญทองกลับมาโอ้เที่ยวออกรายการนู่นรายการเนี่ยคนชนะนะยกย่องกันใหญ่เลยคนแพ้ก็อยว่าพูดเพอ้อบ่นเพอ้อพร่ำเพอ้ออาการแห่งพร่ำเพอ้อเป็นอาการแห่งความพร่ำเพอ้อเรียกว่าทอดถอนใจนะถอนใจใหญ่หรเราเนี่ยแพ้เขาแล้วนะเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าทอดถอนใจอยู่เขาล่วงเลยเราสรุปว่า ชนผู้พิจารณาปัญหากล่าวว่าท่าของชนเหล่านั้นว่าเลวคัดค้านให้ตกไปชนผู้มีวาทะเสื่อมไปแลว้วย่อมรำพันเศร้าโศกทอดถอนใจอยู่ว่าเขาล่วงเลยเรานีนะเนี่ยนะเขาสมัยก่อนเนี่ยเขาถกกันเรื่องวาทะจริงๆเลยนะคนเนี่ยก็ชอบไปดูไปฟังเหมือนกันนะเหมือนกับสมัยนีย้เขามีกีฬาก็คนแห่กันไปเต้ไปหมดอ่ะนะสมัยก่อนเขามีเรื่องรัฐที่ก็เหมือนกันเขาจะมีการไปฟังไปดูไปโอ้ให้ความสําคัญมาก บางทีเนี่ยคนไปเป็นหมื่นๆเนี่ยนะไปเพื่อจะฟังเขาคัดค้อาอเรื่องถกเรื่องลัทธิกันคาถาต่อไปว่าความวิวาทกันเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในสมณะทั้งหลายความยินดีและความยินร้ายย่อมมีในเพราะความวิวาทเหล่านั้นบุคคลเห็นโทษแม้นี้แล้วพึงงดเว้นการคัดค้านกันเพราะประโยชน์อื่นจากการได้ความสรรเสริญย่อมไม่มีเดี๋ยนะ ก็พวกลัทธิทั่วๆไปเนี่ยเขาเป็นอย่างงี้แหละนะลัทธิภายนอกเนี่ยนะเขาก็ทะเลาะกันอย่างนี้เมื่อทะเลาะกันอย่างนี้อันนี้สองคืออะไรถ้าชนะก็ยินดีถ้าแพ้ก็เสียใจยคือยินร้ายเพิ่นถ้าเห็นโทษของการทะเลาะวิวาทอย่างนี้แล้วก็นะก็งดเว้นนะนะอย่าไปยุ่งกับเรื่องอย่างนี้เลยเพราะว่าถึงถกชนะอนะอันนี้สองก็ไม่เกินเนี่ยคําสรรเสริญหรอกอนะมันได้แค่การสรรเสริญ น, นั่นแหละแต่ไม่ได้สมถามวิปัสนาไรหรอก คำว่าสมณะคือชนบางพวกผู้เป็นปริภาชกภายนอกพระศาสนานี้ความทะเลาะกันเพราะทิฐิความวิวาทกันเพราะทิฏฐิความหมายมั่นกันเพราะทิฏฐิความแก่งแย่งกันเพราะทิฐิความมุ่งร้ายกันเพราะทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏแล้วในสมณะทางหลายในภายนอกนะคำว่าความยินดีและความยินร้ายย่อมมีในเพราะความวิวาทเหล่านั้นความว่า ย่อมมีความชนะเล็บความแพ้ก็เมื่อเหมือนเหมือนการแข่งขันกันเนี่ยนะก็ย่อมมีชนะมีแพ้มีลาบมีเสื่อมลาบมียศมีเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีโสมนัตโธมัตมีอารมณ์ที่น่าปรารถนาไม่น่าปรารถนาคืออิทธารมณิฐารมณ์เนี่ยความปลอดโปร่งและความกระทบกระทั่งความยินดีและความยินร้ายความเสียใจและความดีใจเพราะฉะนั้นจิตยินดีเพราะความชนะ จิตยินร้ายเพราะความแพ้จิตยินดีก็เพราะลาบจิตยินร้ายก็เพราะเสื่อมลาบจิตยินดีก็เพราะมียศจิตยินร้ายก็เพราะเสื่อมยศจิตยินดีเพราะสรรเสริญจิตยินร้ายเพราะนินทาจิตยินดีเพราะสุขจิตยินร้ายเพราะทุกข์จิตยินดีเพราะโสมนัสจิตยินร้ายอ่าจิตยินดีเพราะโสมนัสเนี่ยนะจิตยินดีเพราะเฟื่องฟูขึ้นจิตยินร้ายเพราะตกอับเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่า ความยินดีและความยินร้ายย่อมมีในเพราะความวิวาทเหล่านั้นเนี่ยนะคนชนะก็ยิ้มแย้มีความสุขหรือเกินหน่อยนะคนแพ้ก็เศร้าโศกเสียใจอยู่นั่นแหละคนชนะก็ได้ลาบได้ยศได้รับการสรรเสริญได้โสมนัสได้อารมณ์ที่น่าปรารถนาได้ความปลอดโปรง่งได้ความยินดีได้ความดีใจเนี่ยนะส่วนในคนแพ้ล่ะก็เสื่อมลาบเสื่อมยศ ได้รับการนินทาได้รับโทรมนัดได้รับอารมณ์ที่ไม่น่าปราถนาะได้รับความกระทบกระทั่งในความเสียใจเนี่ยนได้ความยินร้ายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าความยินดีและความยินร้ายย่อมมีในเพราะวิวาทเหล่านั้นนะก็ใครชนะนะก็ยิ้มกลับไปคนแพ้ก็เศร้าโศกเสียใจกลับไปคําว่าบุคคลเห็นโทษแม้นี้แล้วพึงงดเว้นการคัดค้านกันความว่าเห็นโทษแม้นี้แล้ว่ คือเห็นพบเทียบเคียงพิจารณาทาให้แจมแจ้ง น, นะทให้เป็นแจ้งซึ่งโทษนั้นในเพราะความทะเลาะกันเพราะทิฐิความหมายมั่นการเพราะทิฏฐิความแก่งแย่งการเพราะทิฏฐิความวิวาทการเพราะทิฏฐิความมุ่งร้ายกันเพราะทิฐิฉะนั้นจึงชื่อว่าเห็นโทษแม้นี้แล้วพึงงดเว้นจากการคัดค้านกันเนี่ยนะถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็งดเว้นนะว่า ความทะเลาะกันความหมายมั่นการความแก่งแย่งกันความวิวาดการความมุ่งร้ายการเรียกว่าการคัดค้านกันอีกอย่างหนึ่งถ้อยคำที่ไม่มีน้ำมีนวลเรียกว่าถ้อยคำคัดค้านกันบุคคลไม่พึงทําถ้อยคำคัดค้านกันคือไม่พึงทำความทะเลาะกันความหมายมั่นการความแก่งแย่งกันความวิวาดกันความมุ่งร้ายกันพึงละบรรเทาทาให้สิ้นไป ให้ถึงความไม่มีในภายหลังซึ่งความทะเลาะกันความหมายมั่นกันความแก่งแย่งกันความวิวาดกันความมุ่งร้ายกันคือพึงเป็นผู้งดเว้นเว้นขาดออกไปสละพ้นพ้นขาดพรากออกจากความทะเลาะกันความหมายมั่นกันความแก่งแย่งกันความวิวาดกันความมุ่งร้ายกันพึงเป็นผู้มีจิตกระทาให้ปราศจากเขตเดนกิเลสอยู่จึงเชื่อว่าบุคคลเห็นประโยชน์นี้แล้ว่พึงงดเว้น การคัดค้านกัน